การปฏิบัติก็คือเป็นเรื่องของการกระทากรรมนั่นแหละกรร ม, มคือการกระทาแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการกระทากรรมดีคือกุศลธรรมเราต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมแบบปลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะอยู่ในอำนาจที่เป็นกรรมของการกระทาที่เป็นกรรมดีก็ได้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 ก็ด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลธรรมมันก็มีผลทุกได้เพราะว่าบางเรื่องบางสถานการณ์เนี่ยบางทีเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นถ้าว่าใจเราอย่างเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนอกจากเราจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วปัญหาภายนอกก็ไม่ถูกแก้ไขปัญหาใจเราก็ไม่ถูกแก้ไขไปด้วย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 สิ่งภายนอกไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะมาดีตอนนี้เนี่ยการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็เพื่ อ, อไว้ทําใจไม่ทุกข์ใจที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรคือใจที่เป็นปกติใจที่เป็นปก ต, ปปกติไม่ซัดสายไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายใจที่เป็นปกติบางสถานการณ์บางอย่างนี่เราเราไม่ชอบใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําใจได้เนี่ย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 ทั้งอารมณ์รุนแรงทั้งอารมณ์เล็กน้อยเป็นคลื่นอารมณ์เนี่ยพุทธาสมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้เข้าใจเรื่องความคิดเข้าใจเรื่องอารมณ์เนี่ยมันก็ยิ่งทําใจได้ใหญ่เลยคลื่นทะเลมันก็เหมือนคลื่นอารมณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเจอสถานการณ์ใดก็ตามจะเป็นเหตุการณ์นอกตัวในตัวทุกข์างนอกทุกข์างในไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งที่เราไม่ชอบใจ